อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ515 1้ิภิกษุเข้าบ้านเมื่อมีเหตุจําเป็นรีบเดือนที่สมควร2อภิกษุบอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าไป3าภิกษุไม่ได้บอกลาเพราะภิกษุไม่มีแล้วเข้าไป4ีภิกษุไปอารามอื่น5้ภิกษุไปสํานักภิกษุณี6กภิกษุไปสํานักเดียร์ถี7จภิกษุไปโรงฉัน8ปภิกษุเดินตามทางที่ผ่านหมู่บ้าน เกภิกษุเข้าไปในคราวมีเหตุขัดข้อง10ภิกษุวิกลจริต1ิภิกษุต้นบัญญัติวิกาลคามะปะเวสนาสิกขาบทที่3จบ